หรือพูดกลับมั้ยครับว่ามโนคติจะถูกค้นพบได้ที่เรียกผมๆไอ้นี้เราคิดเอาแต่ รู้จักตัวเองเป็นคนที่อดทนสูงสุดเพียงๆแล้วต้องทําว่าเราจะไม่ ภาวะอารมณ์ครับขึ้นกับสภาพแวดล้อมบางคน 5 ปีผ่านไปเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งคือจํา ผมเชื่อเอาเองนะว่าเข้าใจได้แล้วที 2 ว่าแล้วเราจะทําอะไรดีเพื่อที่จะได้ครับคือเรื่อง เด่นชัดมากแล้วก็ง่ายมีประชาคนหนึ่งครับ มนุษย์เราควรจะทำอะไรดีควรจะทำสิ่งใดดีแล้วควรๆนานานักปราชญ์ บางคนก็ตอบอย่างโน้นตอบอย่างนี้พระเจ้าๆพระเจ้ามดินก็ค้างปัญหา หือธรรมะได้ยินข่าวว่าครับมีฤาษีที่เป็นคนมีปัญญาสูงอยู่แต่ก็คิดว่าถ้าไปภายใต้ซึ่งแบบ พระเจ้าบดินทร์กับพรหมกายเป็นชายตักฝืนเดพรหมนั้น รับสั่งให้พวกทหารที่ปลอมกาย แล้วปลูกผักกินมากๆนะฮะก็เห็นฤาษีกําลังจวกดินโกเกกโกเกกตามๆก็เข้าไปช่วยครับช่วยคือดินเสร็จพอได้โอกาสก็ถามฤาษี ทำกับใครก่อนดีแล้วทําเมื่อไหร่ดีนิสี คืนนั้นเนื่องจากพระเจ้ามนตรีช่วยขุดก็ไม่ใช่เลยด้วยความเหน็ดเหนื่อยตกดึกขึ้นมานะฮะรู้สึกว่า ทีแรกก็เลยว่าเป็นศัตรูก็เห็นมันชายซึ่ง น่าตกตะลึงมากเพราะว่าชายคนนี้ทรงช่วยก็โยนมีดทิ้งแล้วก็ก้มหัวลงขอขมาว่าแท้ที่จริงข้าพเจ้า กระพเจ้ามีพี่คนนึงซึ่งพระองค์ท่านสั่งให้ประหารชีวิตแล้ววันนี้ เทพไว้เค้าก็รู้ว่าพระเจ้าบดินทร์จะฆ่าตั้งหลายครั้งแต่พระเจ้าบดินทร์นี่หลับอยู่ไม่รู้ตัวแต่เค้าทําไม่ลงพวกเค้าได้ๆเข้าใจมั้ย รีบไปหาฤาษีแต่เช้าจึงเล่าเรื่อง 3 ข้อคืออนุษย์เราควรจะทําอะไรดี ก็เธอก็เข้ามาช่วยแรกสุดที่เจอเห็นเรากําลังขุดดินเธอก็เข้ามาช่วยดังนั้นคํา <c oughs> เรเราท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วนี่นะแล้วถามทําเมื่อไหร่ดีก็เช่น คนมนุษย์จะไปวัดถ้าลอกกันเองซิก่อนคนอยู่ข้างคน ดังนั้นกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราครับต้องทําสิ่งที่ดีเราต้องไม่ใช่อีก 10 ปีค่อยทําหรือไปทําคนโน้นซึ่งอยู่ไกลไปถึงเชียงรายนะเมื่อเราขึ้นรถ เราก็ทําสิ่งดีๆกับคนที่ใกล้ตัวเรามันเรา 6 คือสิงคาโลว่านะครับพุทธเจ้าพูดเรื่องต่อบุคคลที่รอบ 6 คือพ่อแม่บิดามารดา สมมุติว่าอะไรล่ะนี้เนี่ยชื่อว่ากรุธนั้นได้ปกป้องอันตรายที่แล้ว แล้วก็ทํานั้นๆจะแทรกขึ้นมาดังนั้นพระเจ้าบอกเมื่อจงรีบทําเพราะช้านิดเดียวความไม่ดีจะปรากฏขึ้น 2 เรื่อง ลื้นที่ว่าเนื่องจากตัวตนเราเป็นสภาพซึ่งโยกของอยู่ตรงไหน เราก็มังพิสูจน์ว่ามีอะไรบ้างที่มันเที่ยงแท้อยู่ในตัวเราแต่ถ้าเราไม่หรือตัวพระนิพพานตัว เรียกว่าสังขารสภาพตายตัวก็เรียกครับสภาพที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้บ้างนั่นคือสภาพเสถียรสภาพตายตัวก็ นี่ครับศึกษาเราก็เคลื่อนมืออย่างนี้เกิดรู้สึกตัวเองเป็นผู้ <c oughs> แล้วสําคัญตนต่างๆนานาว่าเราดีอย่างนั้นสักเดี๋ยวค่อยๆสงบลงมันก็เผยโฉมหน้าที่ ทั้งนั้นทางใดนะครับไม่ทํางานไม่วันรู้ว่าเราอาจจะเป็นศิลปิน ฝันลอยล่องพอลงมือปฏิบัติหรือเราจะศึกษาหรือสร้างฐานะให้ตัว <c oughs> ใช้เงินใช้ทองพุ่มเฟือยจริงนั้นๆไม่ช้าไม่นานเราบ้างที่เราถนัดที่สุดทุกๆคนจะมีสิ่งเขียนบางคน แต่ถ้าไม่ลงมือศึกษาจะไม่รู้เลยว่าตัวเองฝันครับ <c oughs> <c oughs> มนุษย์ซึ่งก็คือตัวแท้ของเขานะครับจะคือแน่นอนพบมโนกติซึ่งก็คือ โอเคว่ายังไงบ้างครับเรามานั่งอย่างนี้ทําดีหรือทํา การทํานี้ไม่ดีไม่ชั่วครับเห็นมั้ยนี่แสดงผู้ แต่ถ้าเราคิดต่อก็ได้ครับถ้าเราคิดต่อก็ได้ครับเมื่อเราทําอย่างนี้แม้ทําดีก็ๆเลยเข้าใจมั้ยครับ <laughs> ไม่เห็นดีเห็นดีไม่เห็นชั่วอะไรก็ใครดังนั้นที่ว่าเราไม เกณฑ์ตัดสินคุณความดีหรือขีดความสามารถ จะต้องบรรุถึงสมาธิต้องบรรลุถึงสมาธิแล้วท่านบอกมีสมาธิแล้ว รูปปฏิบัติธรรมนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งนะ เช่นครับไปทําความดีเข้าเค้าไม่ยอก็โมโหกลับมาน้อยอกน้อยใจกว่านั้นนั่นเองฉะนั้นคนทําความดีคนทําความดี ผมกำดีมากๆครับเดี๋ยวแข่งดีเดี๋ยวดีแตกนะผมจะๆหูนะเพราะใครดีล้ําหน้านิด เวลาในวงการแข่งขันว่าจากนิฐานเรื่องที่ว่าเจ้านายของเราไม่พอ ผู้คนในในชีวิตของเรา ทำกับคนที่อยู่ข้างหน้าเราไม่ต้องคิดมากกับเรื่องทําความคุณจะทําใคร จางซือเดลอเลียนคนที่ชอบคิดหรือคลั่งความดีแต่ไม่ยอมทําความดีในเบื้องหน้านั้นอย่างนี้นะครับว่าคราวหนึ่งมีชายคนหนึ่ง เดี๋ยวนั้นผมไปดูหนังในตลาดก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเอาน้ํามาใส่ในในในหลุมที่คุณอยู่ปลาจะ นิดหน่อยเดียวก็รู้เขาคิดว่ารองเท้าเค้าขาด คือเอาสายวัดมาวัดขนาดรองเท้าเรียบร้อยลุงช้าตื่น <laughs> คือมันเชื่อในสิ่งที่มันวัดอย่างเราฟังเค้าเล่าเรื่องอะไรเราเชื่อแต่ว่าๆเนี่ยไม่เห็นเหมือนกับชายครับเดี๋ยว <c oughs> ก็ของจริงๆมันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไม่ต้องๆนี่ Donc ย้อนมทบทวนอารมณ์ดูคําว่าทบทวนอารมณ์หมายอยู่เหมือนกับชายคนหนึ่งนะครับผู้หนึ่ง ปักซอยตรงนี้ลืมครับว่าจะไปไหนมันก็เลยเดินวนไปวนมาไปไม่ถึงเอ่อดังนั้นเมื่อเราทบทวนอารมณ์นะครับคือเราต้องมีอารมณ์อยู่อารมณ์ในที่นี้ผมอยู่นี่เรื่องนี้ แบบผู้หญิงวิชาเค้าเค้าเกี่ยวภราลสีเนี่ยเค้ามีอารมณ์ครับนั่งคุยไปไม่รู้กี่ชั่วโมงคล้ายๆ <c oughs> คือเราต้องเหลาเลี้ยงอารมณ์ปฏิบัตินี่ไว้ <laughs> ผมแนะเอามั้ยครับเอาแต่ลิวฟาดกระทะแรงๆตีกันไปแรงๆมันจะได้รู้สึกมีครั้งหนึ่งมีครับดื้อร้ายมากแล้วก็พอลูกเค้าดื้อแล้วเค้าจะกลุ้มจนไม่รู้จะ ปิดตัวห้องนอนแล้วแก้ผ้านอนกลางพื้นเนี่ยผมพูดไปอย่างนั้นๆสงฆ์ดีจริงๆอาจารย์ผมพอแก้ผ้าออกนอนกลาง งมษานว่าก็ตกหน้าตัวเองที 2 ทีเป็นรายไปครับไม่ต้องไปหาตํารวจมาจับด้วยเมื่อเราทํามัน ก็ใจมันครับเครดนั้นเป็นของเราครับเพราะว่าแต่ละคนมันไม่ ทุกแห่งทุกมุมในตัวเองแล้วถ้าเราหลงเราจับเคล็ดของเราได้นั่นคือทาง เข้าใจมั้ยครับดรัตตโรคขาดสติเราไม่รู้ขาดสตินี้เราก็เลยขาดไปเรื่อยๆตปรุขขาดสติไอ้เรารู้ดันนี้ไอ้สัจจขาดสติ พอตอนรู้ความหลงก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้เข้าใจมั้ยครับมันก็ตัวเดียวกันนี่ครับพอไม่รู้ตัวก็หลงพอรู้ตัวมันก็ไอ้ความหลงก็หายไปเหมือนดอกบัวที่ผมยกตัวอย่างดอกตุ่มกับบานนี่จริงๆมัน